ปฏิเสธชั้นที่สุดว่าในโลกไม่มีสมณะพรามผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งด้วยความรู้อันยิ่งเองแล้วประกาศโลกนี้และโลกหน้าข้อสุดท้ายปฏิเสธพระพุทธเจ้าจริงรอกพระพุทธเจ้าคนเขียนขึ้นมากุกกันขึ้นมาสร้างเลือดสร้างเหตุการณ์สร้างจินตนาการไม่เป็นจริงรอกเนี่ยนะพระองค์ไม่มีอยู่จริงหรอก นะนปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงใครจะไปทําอะไรได้ขนาดนั้นใครจะไปมีปัญญาอะไรขนาดนั้นใครจะไปตรัสรู้อะไรได้ขนาดนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นสุดข้อสุดท้ายก็ปฏิเสธพระพุทธเจ้า น, นะนะมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบขีดว่าทิฏฐิมิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบก็คืออันนี้ทิฐิเหล่านี้ก็คือปฏิเสธแบ่งๆไปแล้วก็ปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมเนี่ยนะ พวกนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วก็ตรงกันข้ามปฏิเสธนี่แหละแปลว่าตรงกันข้ามกับความจริงปัญอันนี้เป็นความทุจริตทางใจเนี่ยนะสข้อก็คืออภิชาพยาบาทแล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิอย่างที่ว่ามาทั้งหมดนี่แหละเนี่ยนะพรามค์ครืบดรีทั้งหลายเรียกว่าประพฤติเพื่อทําลายกุศลธรรม ความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางใจสามอย่างพราหมณ์และเครือขมบดีทั้งหลายความประพฤติที่ไม่สม่ำเสม อ, อไม่เป็นธรรมเป็นความประพฤติที่ทําลายกุศลธรรมทําลายคุณงามความดีเป็นความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุอย่างนี้แลเหล่าสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาดนรกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ความชั่วเหล่านี้เนี่ยนะให้ผล เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันแล้วก็ต่อต่อไปอันนี้ฝ่ายดําก็จบไปเนี่ยนะว่าอย่าลืมว่าอากุศลทุกข้อเนี่ยนะอภิชาเนี่ยนะอภิชาที่เป็นมนโนกรรมก็นํามาสู่ชาติชาราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตพยาบาทเนี่ยนะใจที่พยาบาทอาฆ่าจองเวรก็นําไปสู่ชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตมิจฉาทิฐิทั้งหลาย ก็นำไปสู่ชาติชรามรนาโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัตแลอปายาตเนี่ยนะนำไปสู่ทุกนำไปสู่สังสารทุกนำไปสู่วัตถุทุกทั้งนั้นแหละเนี่ยนะอันนี้เป็นการพระพุทธเจ้ากล่าวแต่เหตุกับกล่าวกับผลไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้บอกว่าใครทำทำที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่กล่าวว่าเออเนี่ยความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจ ความประพฤติที่เป็นอธรรมทำลายทำท ำ, ทำลายกุศลธรรมทางกายวาจาและใจอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกเพราะฉะนั้นถ้าจะเว้นจากความชั่วก็เว้นจากความชั่วทางกายเว้นจากความชั่วทางวาจาแล้วก็เว้นจากความนึกคิดที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายทางใจนะในข้อ485หน้า250พรามหมณ์และเครือขาบดีทั้งหลาย ความประพฤติเป็นธรรมเรียกว่าเป็นสุจริตธรรมเนี่ยนะธรรมะแปลว่ารักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วความประพฤติเป็นธรรมะความประพฤติสม่ำเสมอทางกายมีสามอย่างความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจามีสี่อย่างความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติสม่ำเสมอทางใจมีอยู่สามอย่างด้วยกันพรามและเครื บ, บดีทั้งหลาย ก็แลความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางกายสามอย่างเป็นอย่างไรนะความประพฤติที่รักษากุศลธรรมเนี่ยนะความประพฤติที่เอ่อความเรียบร้อยไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายชั่วร้ายทางกายสามอย่างมีอะไรบ้าง ก็คือจารีตศีลกับวารีศีล น, นั่นแหละเ น, นี่ยนะพรามและขึหาบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางกระบองวางศาตราอันนี้ก็เป็นวารีตศีลเนี่ยนะเป็นศีลที่เป็นวารีตเว้นจากความชั่วแล้วก็มีความละอายประกอบด้วยความเอ็นดูเป็นผู้เอื้อเฟื้อมีความสงสารทั้งสัตว์ทั้งหลายอยู่อันนี้ก็เป็น จารีตศีลเนี่ยนะเป็นจารีตอันนี้เป็นเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานที่จะรองรับเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งสุคติโลกสวรรค์เพราะว่าศีลอันนี้เนี่ยนะก็เป็นเหตุแห่งการนําไปสู่การเกิดในสุคติโลกสวรรค์ละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้ไม่อ ไม่ถือเอาสมบัติของผู้อื่นจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าก็ตามซึ่งเขาไม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งการเป็นขโมยเนี่ยนะอันนี้ก็ปฏิเสธที่จะถือเอาสิ่งของของผู้อื่นโดยอกุศลเจตนาโดยทายะเจตนาเจตนาแห่งความเป็นโจรความเป็นขโมยเนี่ยนะเรียกว่ารักษาศีลทางทาง ทางกายเนี่ยนะก็คือเว้นจากการลักทรัพย์อันนี้ก็เป็นเหตุแห่งสุขติโลกสวรรค์เป็นประตูแห่งสุขติโลกสวรรค์เป็นประตูให้อั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ทั้งหลายละความประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากความประพฤติผิดในการม ไม่ละเมิดจารีตในหญิงที่มีแม่ปกครองพ่อปกครองทั้งแม่และพ่อปกครองพี่น้องชายปกครองพี่น้องหญิงปกครองหญิงที่มีสามีแล้วหญิงที่อยู่ในเขตห่วงห้ามโดยที่สุดแม่หญิงที่ชายคล้องพวงมาลัยหมายมั่นเอาไว้แล้วอันนี้ก็ไม่ได้เนี่ย น, นะไม่ประพฤติล่วงเกินกับหญิงอื่นเนี่ยนนะทีนี้นหญิงที่มีตัวเองเนี่ยมีคู่ครองมีคู่มั่นเป็นต้นอยู่แล้วก็ไม่ประพฤติล่วงกับชายอื่น ซึ่งการที่รักษาจีตาณาทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุแห่งสุขติโลกสวรรค์เนี่ยนะเพราะไม่ล่วงละเมิดความชั่วทางกายเป็นการประพฤติกุศลธรรมทางกายเป็นความประพฤติสม่ำเสมอทางกายเนี่ยนะพรามและครืบดีทั้งหลายความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติสม่ำเสมอทางวาจาสี่อย่างเป็นอย่างไร พรามและเครือ่ายดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการกล่าวเทศไม่ว่าจะอยู่ในที่ประชมุมอยู่ท่ามกลางบริษัทท่ามกลางยากท่ามกลางพรรคพวกหรือท่ามกลางราชตรกูลก็ตามเมื่อถูกเขาซักเป็นพยานว่า ม, มานี่สินายขอให้คุณจงพูดตามที่คุณรู้ เพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้รู้อยู่ก็บอกว่ารู้ไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นเห็นอยู่ก็บอกว่าเห็นไม่เพราะเห็นแก่ตนและเพราะเห็นแก่ผู้อื่นหรือเห็นแก่อมิตรสินจ้างไม่เห็นแก่สิ่งใดกล่าวแต่คําสัตว์คําจริงดํารงมั่นอยู่ในคําสัตว์และคําจริงอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งสุขติโลกสวรรค์เจตนาที่เป็นเหตุให้ผู้แต่ความจริงด้วยสติปัญญาเจตนาเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์ และคําพูดส่อเสียดเว้นขาดจากคําพูดส่อเสียดคือไม่เป็นผู้ฟังจากทางนี้แล้วไปบอกทางโน้นเพื่อทําลายคนพวกนี้หรือไม่เป็นผู้ฟังจากทางนี้แล้วไปบอกทางโน้นเพื่ อ, อทางนี้เพื่อไปทําลายพวกโน้นเนี่ยนะคือไม่เป็นการฟังเพื่อหาเรื่องเป็นอันว่าเชื่อมคนที่แตกแยกกั น, น, นส่งเสริมคนที่แตกแยกกัน ส่งเสริมผู้ที่มีความสมัครสมานสามัคคีและก็พร้อมเพียงกันยินดีกับผู้พร้อมเพียงกันชอบคนที่พร้อมเพียงกันเป็นผู้พูดแต่วาจาที่ทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและปลองดองทั้งหลายคําพูดที่เว้นจากความชั่วทางวาจาแบบนี้แหละคําพูดที่เว้นจากการยุแยเป็นต้นเนี่ยคำพูดเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้นําไปสู่สุขติแล้วก็โลกสวรรค์เนี่ยนะละ คำพูดคำหยาบเว้นจากคำพูดคำหยาบเป็นผู้พูดแต่คำที่ไม่มีโทษเป็นคำที่สบายหูน่ารักเรียกว่าดื่มดำในหัวใจเป็นภาษาชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่คนส่วนมากชอบใจใช้แต่ถ้อยคำเป็นป่านนั้นนะก็เป็นคำพูดที่ไพเราะนะซึ่งตัวเองก็อยากแต่ฟังแต่ถ้อยคำในลักษณะนี้นี่แหละละคำสาราชเพอเจอเว้นขาดจากคำสาราชเพอร์เจอพูด เป็นเวลาเนี่ยนะคือเราพูดถูกเวลาพูดแต่คําที่เป็นจริงพูดแต่คําที่เป็นประโยชน์พูดพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยพูดเป็นถ้อยคําที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงตามเวลาเป็นคําพูดที่มีที่สุดและเป็นคําพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะเป็นคําพูดที่นํามาซึ่งประโยชน์นั้นคนที่พูดเป็นเนี่ยนะเป็นบุญทุกคําที่พูดออกไป นะเพราะทุกครั้งที่เราขยับวัจีเนี่ยนะมันก็แบ่งเป็นสองอย่างคือทุตจริญกับโซเจริญคนที่มีสติมีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปเนี่ยนะทุกคําที่เขาพูดเป็นบุญเป็นกุศลทุกคํานะี่ยนะคำพูดที่เขาพูดเนี่ยเป็นไปเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานคําพูดที่รองรับอย่าลืมว่าความดีทางกายทั้งสข้อที่กล่าวไปเนี่ยนะนะอันนี้เป็นหนึ่งในมรค8ความดีทางวาจาที่กล่าวไปแล้วก็เป็นหนึ่งในมรค8 เนี่ยนะก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเนี่ยนะถ้าทั้งกายและวาจามารวมกันก็เป็นสัมมาอาชีวะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะจะต้องเปิดประตูสุขติโลกสวรรค์ก่อนถ้าประตูสุขติโลกสวรรค์ไม่เปิดประตูสวรรค์นิพพานก็เปิดไม่ได้หรอกเนี่ยนะก็ต้องค่อยๆเปิดกันเป็นตามลําดับมันจะต้องประพฤติรักษากุศลกรรมบททั้ง10ประการเหล่านี้ให้ดีเยี่ยมเนี่ยนะ ในในส่วนของมโนกรรมบางพรามและเครือายบดีทั้งหลายก็แหละความประพฤตเป็นธรรมความประพฤตสม่ำเสมอทางใจสอย่างสามอย่างอะไรบ้างพรามและเครือหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นผู้มากไปด้วยความเพ่งเลง็งไม่ใช่เป็นผู้เพ่งเล็งในสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของคนอื่นๆนั้นว่าโอ้หนอขอสิ่งของคนอื่นพึงมาเป็น ของเราบุคคลเหล่านี้คิดว่าของใครก็ขอให้จงเป็นของผู้นั้นเลยไม่คิดจะเอาของของใครเลยเนี่ยนะมองเห็นของคนอื่นก็เหมือนกับของตนน่ะนะเขาก็รักเราก็รักนั่นแหละเพราะฉะนั้นของใดที่เขาหวงแหนของเราเรายังหวงแหนคนของคนอื่นคนอื่นเขาก็หวงแหนเหมือนกันเพราะของผู้ใดก็ขอให้เป็นของ ผู้นั้นไม่คิดจะล่วงละเมิดของผู้อื่นเลยเนี่ยนะก็มองเห็นของผู้อื่นก็คือของผู้อื่นไม่ใช่ของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใจไม่น้อมไปเพื่อที่จะเอาอะไรจากที่เป็นของผู้อื่นเลยมันจึงไม่เห็นอะไรมันน่าเอาสักอย่างด้วยอํานาจอากุศลเจตนาทั้งหลายที่คิดน้อมมาเป็นของตนเนี่ยนะด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายเจตนาที่เป็นบาปไม่มีเลย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 ก็คืออัพยาปา ช, ชาโหตุนิทุกขาโหตุเนี่ยนะขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีความสุขรักษาตนต่อไปเถิดเนี่ยนะขอสัตว์ทั้งปวงจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดก็พื้นฐานมีแต่ความคิดแบบนี้เขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนเรานั่นแหละ นนะดูก่อนสัตว์ทั้งหลายสัตว์ก็แปลว่าผู้ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ขอให้ผู้ที่ยังติดยังข้องมีความสุข ป, ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเธอจงเป็นผู้มีสุขมีความกเกษมปลอดภัยอยู่เถิดอย่างเงี้นะก็คิดอย่างเงี้ยดำรงอยู่ด้วยอภัยาบาตรคือมีใจประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะเจริญเมตตาเนี่ยนะให้ให้บ่อยๆและอันสุดท้ายก็คือเป็นผู้ที่เจริญ กรรมสกตาระสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความเห็นที่วิปร้าดคลาดเคลื่อนเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจว่าการให้ทานนั้นมีผลเนี่ยนะผลแห่งการให้ทานในโลกนี้มีอยู่จริงอันนั้นเรียกว่าให้ก่อนแล้วค่อยมีเนี่ยนะเรียกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งมีการให้นี้มีผลการต้อนรับเชื้อเชิญก็มีผลการบูชา การบูชาทั้งหลายเช่นพุทธบูชาเป็นต้นก็มีผลผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้มีสัตว์ที่ตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามีทาบาปกับพ่อกับแม่ก็ บ, บาปมหันเหือนั้นแต่ทบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้บุญมหาศาลเพราะฉะนั้นโอปาปาติกะก็มีนรกเปรตอสุรกายก็มีในโลกนี้สมณะพรามผู้ ป, ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัต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 พร้อมทั้งหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามเลยนะคือพระองค์รู้แจ้งเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระองค์เป็นพาลหันตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นเราเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกรรมมัสกาสัมมาทิฏิรอบรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของขอ ง, ของตนเนี่ยนะสระบรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นของของตนมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นผู้ให้ผลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นแดนเกิดเนี่ยนะ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นเผ่าพันธุกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะฉะนั้นเขาจะทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่าใดเขาก็จะได้รับตามสมควรแก่เหตุคือสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่ว่าทําเท่าไหร่แล้วให้ผลเท่านั้นนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นทุกคนจะรับผลของกรรมตามสมควรแก่เหตุแต่ไม่ได้แปลว่าทําเหตุแล้วจะต้องได้รับทั้งหมดไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ทุกคนจะได้รับวิบากตามสมควรแก่เหตุที่ตนทํามาเนี่ยนะ อย่างที่กล่าวมานี้แหละพราหม์และเครืหา บ, บดีทั้งหลายอันนี้เรียกว่าประพฤติสุจริตธรรมประพฤติเป็นกูโซลธรรมสม่ำเสมอทางใจสอย่างด้วยกันพราหมณ์และเครือหา บ, บดีทั้งหลายความประพฤติเป็นธรรมทั้งสิบประการความประพฤติสม่ำเสมอทั้ง10ประการนี่แหละสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าจากตายเพราะกายแต่จึงเข้าถูกถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะฉันเราทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์แสดงว่าอาดีตเรารักษากุศลกรรมบทมาดีนะจึงทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์มีอายุยืนมีทรัพย์พอใช้ไม่มีศัตรูคู่เวร ได้ฟังแต่คําสัตว์คําจริงฟังเพื่อคําที่สร้างความสมัครสมานสามคัคคีฟังถ้อยคําที่ไพเราะฟังเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เป็นต้นอันนั้นก็แสดงว่าสุจริตกรรมเราทํามาดีแต่ก็อย่างว่านะมืดมาแล้วก็สว่างมาแล้วก็สว่างไปสว่างมาแล้วก็มืดไปก็มีเนี่ยนะบางพวกให้กุศลอดีทํากุศลกรรมบทมาดีทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบนี้ก็มาล่วงอกุศลกรรมบดราดหน้าก็ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตตามสมควรแก่ความประพฤติว่างั้นเถะ เหมือนบางพวกมีทุนมาเนี่ยนะทุนคือชีวิตเนี่ยนะอ่ามือมีต้นทุนคือชีวิตกําเปรียบเหมือนกับทรัพย์สินบางคนมีมาแล้วก็ผลานด้วยการพนันสุราปลาปิ้งเป็นต้นหมดเกลี้ยงเป็นต้นก็มีบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็ ก, ก็เหมือนกับว่าเกิดมาผลานตัวเองเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยถ้าได้ร่างกายได้ชีวิตได้อะไรมาแล้วก็มาประพฤติอยู่ในสุจิริกรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งสุขติโลกสวรรค์ก็สุดแท้แต่ น, นะก็กรรมอ่ะนะแล้วแต่กรรมอ่ะแต่ว่ากรรมกับกรรมก็คือกายกรรม วจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเจตนาคือตัวกรรมไม่อยากบอกรรมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะกรรมคืออะไรก็คํคาที่คุณพูดนั่นแหละกรรมทั้งนั้นแหละเนี่ยนะทุกสิ่งที่คุณทำนั่นแหละกรรมทั้งนั้นแหละความคิดทุกความคิดนั่นแหละเป็นกรรมกรรมนี้มันจะดีหรือมันจะชั่วเนี่ยนะถ้าความชั่วก็เป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตนารกถ้าความดีเป็นเหตุแห่งสุขติแล้วก็โลกสวรรค์พ่อหลายพ่อสัตว์ทั้งหลายโลกนําไปไม่ยังยืนอยู่อย่างนี้ปัจจุบันอย่างนี้ตลอดไปได้ไหม มันก็ไม่ได้ก็มีแต่ไปไปกลับไปไปกลับไปไปไหนล่ะก็แล้วแต่ถ้าไปด้วยสุจริญนะไปด้วยกายสุดเจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็สุคติโลกสวรรค์ถ้าไปด้วยกายทูุจริญวจีทูุจริตมโนทูุจริษ อันนี้ก็อภัยทุกขติวินิบัติแล้วทีนี้ถ้าถามมาทำทั้งดีทำทั้งชั่วก็จับสลากเอาวันสุดท้ายกันแล้วกันเนี่ยนะจับฉลากวัดกันที่ความคิดอันสุดท้ายเนี่ยนะก็ต้องจับให้มันดีว่าฉลากไหนฉลากดีแล้วก็ฉลากชั่วเนี่ยนะก็ทําทํามาทั้งดีทั้งชั่วก็จับให้มันถูกบุญกันแล้วกันเนี่ยนะเนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมเอาไว้ให้บ่อยๆเนี่ยนะกำลังที่ถามมาจะเลือกคิดถึงลูกหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนตายเนี่ยนะ